พระมหาศัตว์ได้สดับพระดํารัสของพระเจ้าวิเทหราชดังนี้แล้วดำริว่าพระราชานี้ทรงกลัวมรณะภัยเหลือเกินก็แพทย์เป็นที่พึ่งอาศัยของคนไข้โภชนาหารเป็นที่พึ่งอาศัยของคนหิวน้ําดื่มเป็นที่พึ่งอาศัยของคนกระหายเว้นเราเสียคนอื่นที่เป็นที่พึ่งอาศัยของพระราชานี้ไม่มี เราจะปลอบโยนพระองค์ให้เบาพระไทยครั้งนั้นพระมหาสัต์มิได้ครั้นครามดุจราชสีบรลือสีหานาฏณพื้นมโนศิลากราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงกลัวเลยจงเสวยราชสมบัติให้เป็นสุขเถิดข้าพระองค์จักทากองทัพซึ่งนับได้ส8อัปดอคโคพินีนี้ ให้เป็นผู้มิใช่เจ้าของแม้แห่งภาสาดกที่พันท้องอยู่ให้หนีไปดุดบุคคลเงือก้อนดินให้กาหนีไปและดุดบุคคลขึ้นธนูให้ลิงหนีไปฉะนั้นกราบทูลชนีแล้วจึงกล่าวคาถาที่ก้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์ทรงเยียดพระยุคนละบาดให้ผาสุขเชิญเสวยและรื่นรมในกามสมบัติเถิด พระเจ้าจุลณีพรหมทัตจะละกองทัพชาวปัญจาละหนีไปเนื้อความของคาถานั้นมีว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์ทรงเยียดพระยุคลบาดกล่าวคือเสวยราชของพระองค์ตามสบายเถิดและเมื่อทรงเยียดอย่าได้คิดเรื่องการสงครามโปรดเสวยและเรื่องลมในกามสมบัตเถิด พระเจ้าจุลณีพรหมทัศนี้จากทรงทิ้งกองทัพนี้หนีไปมโหสถบัณฑิตยังพระราชาให้เบาพระหฤทัยแล้วออกมาให้ชาวกรองแจ้งเรื่องเล่นมโหระศพเที่ยวเป่าร้องในพระนครกล่าวกับชาวพระนครว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกเลยจงยังวัตถุทั้งหลายมีดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร น้ำดื่มและโภชนาเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้วเริ่มเล่นมหระศพตลอดเจ็ดวันมหสถกล่าวกับชาวพระนครว่าชนทั้งหลายในที่นั้นนั้นจงดื่มใหญ่จงเล่นดีสีตีเป่าจงประโคมดนตรีจงฟ้นรำจงโห e ร้องจงเฮฮาจงบรรลือเสียงให้ อ, อกกึกระเบิดจงตบมือให้สนุกจงขับร้องตามสบาย ค่าใช้จ่ายสำหรับพวกท่านทั้งหลายเป็นของเราจัดให้ทั้งนั้นเราผู้มีนามว่ามโหสถบัณฑิตพวกท่านจะได้เห็นอนุภาพของเรายังชาวพระนครให้เบาใจแล้วชาวพระนครได้ทําตามนั้นชนทั้งหลายอยู่นอกเมืองย่อมได้ยินเสียงมีเสียงขับประโคมเป็นต้นก็พากันเข้าสู่ภายในเมืองทางประตูน้อย ผู้รักษาทั้งหลายย่อมไม่จับกลุมบุคคลที่ตนเห็นแล้วเห็นแล้วนอกจากพวกศัตรูเพราะฉะนั้นคนเดินเข้าออกมิได้ขาดบุคคลเข้าไปในเมืองย่อมเห็นคนเล่นมหรสศพปายพระเจ้าจุลนีปรมทั์ได้ทรงสดับเสียงโกลาหนในกรุงมิถิลาจึงตรัสถามอำมาตย์ทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายในเมื่อพวกเราล้อมเมืองด้วยกองทัพ นับด้วยสิบแปดอักโคพนีความกลัวหรือเพียงความพรั่นพรึงย่อมไม่มีแก่ชาวเมืองชาวเมืองร่าเริงปีติโสมนัดประโคมฟ้อนรำขับโห่ร้องเกลียวกล่าวตบมือบันลือลั่นอยู่มีเหตุการณ์เป็นไนละำดับนั้นบุรุษที่มโหสดวางไว้ก็ทูลมุสาแด่พระราชาว่าข้าแต่เทพเจ้า พวกเรามีกิจอันหนึ่งเข้าไปในเมืองทางประตูน้อยเห็นประชาชนชาวเมืองเล่นการมหระพได้ซักถามว่าพระราชาในสกลชมพูทวีปมาล้อมเมืองของท่านทั้งหลายตั้งอยู่แล้วแต่พวกท่านเป็นผู้ประมาทเหลือเกินเหตุการณ์เป็นอย่างไรชาวเมืองเหล่านั้นกล่าวตอบว่า พระราชาของเราทั้งหลายทรงปรารถนาอย่างหนึ่งในการเมื่อยังทรงพระยา ว, ว่าในเมื่อเมืองเราอันพระราชาในสกลชมพูทวีปล้อมแล้วพวกเราจะเล่นมหโหรสพวันนี้ความปรารถนาของพระราชาแห่งพวกเราถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทางราชการจึงเป่าร้องให้ชาวเมืองเล่นมหโหรสพดื่มใหญ่ในที่ของตนของตน พระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทรงฟังถ้อยคําของพวกบุรุษที่มโหสถวางไว้ก็ทรงขัดเคืองตรัสสั่งเสนาว่าท่านทั้งหลายจงไปจงรีบถมเมืองข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยจงทําลายคูจงทําลายกําแพงจงทําลายประตูหอรบเข้าไปในเมืองเอาศีรษะชาวเมืองมาด้วยเกวียนร้อยเล่มดุดเอาฟักเขียวมาฉะนั้นจงตัดเสียงพระเจ้าวิเทหราชนํามา โยธาผู้กล้าหาญทั้งหลายได้ฟังพระราชดำรัสสัง่งก็กุมอาวุธมีประการต่างๆไปสู่ที่ใกล้ประตูหอรบถูกถวยหารของมโหสถประทุสร้ายด้วยการเทศาส์เปือกต้มระคนด้วยก้อนกรวดและเลนระคนด้วยทรายและการทิ้งก้อนศิลาก็ถอยกลับพวกที่ลงสู่คูด้วยคิดจะทำลายกำแพงเหล่าโยธาตั้งอยู่บนประตูเชิงเทินภายใน ก็ทำให้ข้าศึกถึงความพินาศใหญ่ด้วยเครื่องสังหารมีลูกสอนหอกและโตมอนเป็นต้นโยธาของมโหสถย่อมเบียดเบียนโยธาของพระเจ้าจุลณีสำแดงวิการแห่งมือเป็นต้นและด่าบริพาตขู่ด้วยประการต่างๆพูดยัวให้โกรธว่าพวกเจ้ามีร่างกายเหน็ดเหนื่อยไม่ได้อาหารจงมาดื่มเคี้ยกินสักหน่อยสิ แล้วทำเป็นยื่นส่งภาชนะสุราและไม้เสียบมัดชะมังสะลงไปให้แล้วก็ดื่มเคี้ยวกินเสียเองเดินไปมาบนกำแพงโยธากรุงปัญจาละไม่อาจจะทำอะไรได้ก็ไปเฝ้าพระเจ้าพรมทัตกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพบุคคลเหล่าอื่นยกท่านผู้มีอนุภาพแล้วไม่สามารถจะเอาชัยชนะได้ พระเจ้าจุลณีประทับแรมอยู่สี่ห้าราตรีเมื่อไม่ทรงเห็นอุบายที่จะหักเอาเมืองมิถิลาได้จึงตรัสถามเกวัตตะว่าอาจารย์พวกเราไม่สามารถจะยึดพระนครได้แม้คนคนหนึ่งก็ไม่สามารถจะเข้าใกล้จะควรทำอย่างไรเกวัตตะกราบทูลสนองว่าช่างก่อนเถิดพระเจ้าค่าธรรมดาเมืองมีน้ำภายนอกเราจักเอาเมืองได้ด้วยสิ้นน้า พวกในเมืองลำบากด้วยน้ำจักเปิดประตูเมืองออกมาพระราชาทรงเห็นชอบด้วยว่าอุบายนี้ดีจำเดิมแต่นั้นมาพวกข้างกองทัพก็มิให้ใครนำน้ำเข้าไปในเมืองบุรุษที่มโหสถวางไว้ก็เขียนหนังสือผูกปลายลูกศรยิงส่งข่าวเข้าไปในเมืองเพราะมะโหสถตั้งอาณัตไว้ว่าใครพบหนังสือที่ปลายลูกศรจงนำมาให้เราดังนี้ ครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งเห็นหนังสือที่ปลายลูกสรก็เอาไปแสดงแก่มโหสดมโหสดรู้ข่าวนั้นจึงนึกว่าพระเจ้าจุลณีไม่รู้จักความที่เราเป็นมโหสดบัณฑิตจึงให้ผ่าไม้ไผ่ยาวหกสบอกออกเป็นสองซีกรานปล้องออกหมดแล้วประกบกันเข้าอีกรัดด้วยหนังทาโคลนข้างบนให้วานตะโหนดบัวและพืชบัวขาวซึ่งได้มาแต่ดาบทผู้มีฤทธ นำมาแต่หิมะวันตับประเทศในเลนใกล้ฝั่งสะโบกครณีตั้งไม้ไผ่ไว้ข้างบนกรอกน้ำลงไปให้เต็มคืนเดียวเท่านั้นเกิดดอกขึ้นไปขึ้นไปถึงปลายไม้ไผ่สูงพ้นราวหนึ่งศอกลำดับนั้นมะโหสดยังบุรุษทั้งหลายของตนให้ถอนสายบัวนั้นโยนให้พวกข้าศึกด้วยคำว่าพวกท่านจงถวายสายบัวนี้แก่พระเจ้าจุลณี เราบุรุษของมโหสถทาสายบัวนั้นให้เป็นวะัยแล้วร้องบอกว่าแน่ท่านทั้งหลายผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเราท่านอย่าตายด้วยความหิวเลยจงรับเอาดอกอุบล น, นี้ประดับเคี้ยวกินสายบัวให้อิ่มน้ำร้องบอกชนี้แล้วโยนลงไปบุรุษคนหนึ่งที่มโหสถวางไว้จึงถือเอาสายบัวนั้น ลำดับนั้นบุรุษนั้นนําไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพอได้ทอดพระเนตรสายบัวนี้สายบัวยาวเท่านี้เราทั้งหลายไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนจนบัดนี้ครั้นเมื่อพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงวัดดูก็วัดสายบัวอันยาวหกสิบซอกทูลว่าแปดสิบซอกในเมื่อพระราชาตรัสถามอีกว่า บัวนั้นเกิดในที่ไหนบุรุษคนหนึ่งที่มโหสดวางไว้กราบทูลเท็จว่าวันหนึ่งข้าพเจ้ากระหายเข้าไปในเมืองทางประตูน้อยด้วยคิดจะดื่มสุราได้เห็นสะโบกคารณีใหญ่ทั้งหลายที่ขุดไว้เพื่อประโยชน์แห่งชาวเมืองเล่นน้ำมหาชนนั่งในเรือเก็บดอกบัวดอกบัวนี้เกิดริมฝั่งสะโบกคารณีนั้น ก็แต่สายบัวอันเกิดในที่ลึกยาวราวหนึ่งรศ อ, อกพระเจ้าจุลณีพรหมทัตได้สดับข้อความนั้นจึงตรัสกับเกวัตตะว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่อาจจะยึดเอาเมืองนี้ด้วยให้สิ้นน้ำท่านเลิกความคิดนี้เสียเถิดรามเกวัตตะกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นจะยึดเอาเมืองนี้ด้วยให้สิ้นข้าวเพราะธรรมดาว่านครต้องมีข้าวภายนอก รราชาตรัสให้ทำอย่างนั้นมโหสถบัณฑิตรู้ข่าวนั้นโดยในหนหลังจึงนึกว่าพระมามเกวัตตะไม่รู้จักความที่เราเป็นมโหสถบัณฑิตจึงให้เทโคลนตามบนกำแพงเมืองและให้หวานเข้าเปลือกในที่นั้นธรรมดาความประสงค์ของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมสำเร็จราตรีเดียวเท่านั้นเข้าเปลือกก็งอกขึ้นบนกำแพงเมือง พระเจ้าจุลณีทอดพระเนตรเห็นต้นข้าวนั้นจึงตรัสถามว่านั่นอะไรปรากฏเขียวอยู่บนกำแพงเมืองบุรุษที่มโหสดวางไว้ได้ฟังพระราชกระแสก็เป็นเหมือนคอยชิงมาจากพระโอษสนองพระราชดำรัสจึงกราบทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าได้ยินว่าบุตรแห่งขรุหบดีอันมีนามว่ามโหสถบัณฑิตคิดเห็นภายในอนาคตการ จึงให้ขนข้าเปลือกแต่แคว้นขึ้นเต็มฉางหลวงไว้แล้วเก็บงำข้าวเปลือกที่เหลือไว้ริมกำแพงได้ยินว่าข้าวเปลือกเหล่านั้นแห้งไปด้วยแดดชุ่มไปด้วยฝนและข้าวกล้าทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมในที่นั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าเข้าไปโดยประตูน้อยด้วยกิจอันหนึ่งเห็นกองข้าวเปลือกริมกำแพงก็หยิบข้าวเปลือกมาจากกองนั้นทิ้งไว้ริมทาง ทีนั้นหมู่ชนเมื่อจะพูดกับข้าพระเจ้าว่าชอรอยท่านจะหิวจึงบอกว่าท่านจงเอาชายผ้าห่อข้าเปลือกไปเรือนของท่านให้ตําหุงกินสิพระเจ้ากรุงปัญจาลได้สดับดังนั้นจึงตรัสกับพรามณ์เกวัตตะว่าเราไม่อาจจะยึดเอาเมืองด้วยให้สิ้นทัญญาหารอุบายอื่นมีหรือเกวัตตะกราบทูลว่าเราจะยึดเอาด้วยสิ้นฟืน ขึ้นชื่อว่าเมืองย่อมมีฟืนภายนอกพระราชาตรัสให้ดำเนินการอย่างนั้นฝ่ายมโหสดรู้ข่าวนั้นดังหนหลังให้ทำกองฟืนประมาณเท่าภูเขาให้ปรากฏล่วงพ้นเข้าเปลือก บ, บนกาแพงพวกคนของมโหสดเมื่อกล่าวเยอะเยะ้ยเล่นกับโยธาของพระเจ้าจุลณีจึงกล่าวว่าถ้าพวกท่านหิวจงหุงข้าวกินเสียแล้วโยนฟืนใหญ่ๆลงไปให้ ภายพระราชาจุลณีทอดพระเนตรเห็นฟืนเป็นอันมากกองพ้นกำแพงเมืองจึงตรัสถามว่านั่นอะไรบุรุษที่มโหสถวางไว้จึงกราบทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าได้ยินว่าบุตรคฤหบดีผู้นี้นามว่ามโหสถเห็นภายในอนาคตจึงให้ขนฟืนมากองไว้หลังเรือนแห่งเหล่าสกุลและให้กองไว้ริมกำแพงเมืองก็มิใช่น้อย